ก็จะได้พูดธรรมะนั่นละอย่างอื่นก็พูดกันน้อยอบางครั้งก็อาจจะมีการสอนเรื่องระเบียบวินัยความเป็นอยู่ร่วมกันให้ไปในทางทิศเดียวกันสร้างความสงบใจมูแจคณะกค็คู่กันไปแต่ว่าตัวปฏิบัติเนี่ยมันจะมันเริ่มต้นที่ได้ไอ้อันอื่นก็ง่ายการปกครองกัน สอนนั้นอื่นก็ไม่จําเป็นเพราะตัวปฏิบัติมันก็เป็นธรรมเป็นเวินัยอยู่แล้วเรามาสร้างความรู้สึกตัวเราก็ละความชั่วเราก็ทําความดีอยู่แล้วโดยเฉพาะการปฏิบัตินี่เรามั่นใจจริงๆนะใครก็ตามไม่มีสิ่งไหนที่จะมั่นใจเท่ากับการปฏิบัติธรรมเพราะมันทําได้ในปัจจุบัน ไม่ใช่ไปเอาอะไรไปได้อะไรมันทำได้ทุกท่กโมงทุกนาทีเวลาใดมันหลงเราก็รู้ได้ความหลงก็หมดไปเป็นปัจจุบันสิ่งที่เราฐานของเราคือศรัทธาความมั่นใจในตัวเองเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทำที่ทาให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าทำที่ทำให้เกิดเป็นพระสงฆ์มันก็เราก็ทำได้อยู่ เราก็ทำได้อยู่เราสร้างความรู้สึกตัวมีความรู้สึกความเลอกได้เราก็ทำเป็นของที่เราทำได้ไม่ยากเป็นได้ทันทีไม่ใช่รอหนึ่งวันสองวันนะไม่ใช่รอมันเป็นไปได้ทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่ว่าฐานของเราเนี่ยต้องเสริมเอาไว้ไม่มีสิ่งไหนที่จะมั่นใจเท่ากับการปฏิบัติธรรมทำแล้วมันก็ดีจริง ควารู้สึกตัวมันก็ไม่หลงจริงๆเวลาใดมันหลงเรารู้สึกตัวความหลงความหมดไปจริงจริไม่ใช่ว่าเออเราไม่รู้อะไรมาปฏิบัติทำสองวัน3อวัน1ปี2ปีไม่รู้อะไรไม่ใช่อันไม่ใช่ไม่รู้มันรู้อยู่เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้มันรู้อยู่จริงๆงมันรู้สึกตัวอยู่จริงๆริเราก็สัมผัสได้ จริงๆความรู้สึกตัวมาอยู่กับกายเราก็มีกายมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมาอยู่ที่กิจมันก็มีกิดมีความรู้สึกตัวว่าแต่เราอย่าไปหาลายละเอียดรู ด, ดุลนดุลกนกนรูื้ซื้ออย่าไปหาลายละเอียดหาคำตอบเอาเหตุเอาผลไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันรู้ง่ายง่ายรู้สั้นสั้น ไม่เชื่ลู่แล้วไปสมมุติไปบัญญัติไม่ใช่อันนี้ถูกไหมอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ถูกนะสติมันเป็นอย่างนี้นะนก็กลายเป็นสมมุติบัญญัติไปแล้วผมรู้สึกตัวมันเป็นปมรมตาจารย์อยู่แล้วถ้ไปหารายละเอียดก็เป็นสมมุติว่าผิดว่าถูกไปอีกละว่าชอบว่าไม่ชอบว่าได้ว่าไม่ได้มันเป็นสมมติไปแล้วผมรู้สึกตัวมันลู่แล้วก็จบลงแค่นั้นแล้วนะ เห็นเปรล ม, มัดทันทีสัมผัสทันทีไม่ต้องไปถามใครแนวกคาฐานของเราศรัทธาของเราความเพียรของเราผมมั่นใจในพระพุทธธรรมปร ะ, ระสงค์มีครูบาอาจารย์สั่งสอนหลวงปู่เทียนก็นั่งอยู่ตรงนี้พบกันทุกวันสอนกันทุกวันครูบาอาจารย์ก็อยู่ตรงนนติหลังนี้ว่านกติเราก็มีวัดวาอารามก็มีสัมผัสได้คําบอกคําสอนเราก็ได้ยิน คำที่ท่านสอนเราก็เอามาทามือเราก็มีขาเราก็มีมันเห็นโดนหน้าต่อตาความหลงก็เห็นต่อหน้าต่อตาความไม่หลงก็ทำได้ต่อหน้าต่อตามันจะผิดมันจะถูกมันจะสุขจะทุกข์มันไม่รับไม่รีการเจริญสติเนี่ยมันจึงเป็นความมั่นใจเพราะแต่ฐานของเราสนาะศรัทธาศรัทธาต้องไม่โทษถอยศรัทธาต่อ ครสอนถตต่อความเพียรศรัทธาต่อวัดปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอมีศรัทธาก็ทำบ่หมดศรัทธาก็ยุดไม่ใช่แบบนั้นนะศรัทธาจริงๆนะหังจาเราก็ตื่นรือรดรับผิดชอบแม้เรายังไม่รู้อะไรเราก็ทำได้อยู่ทุกวันบางทีมีคนมาถามรู้อะไรหรือเปล่าเออเราจะหาคาตอบอะไรเรารู้อะไรไหม คำตอบยังไม่รู้อะไรนะก็ไปสมมุติปัญญาต์แบบนั้นว่าตัวเองไม่รู้ใช้แล้วถ้ามีใครมาถามเราก็เคยก็สร้างอยู่นี่แหละก็รู้อยู่นี่แหละมันก็หลงไปเห็นอยู่นี่แหละมันก็รู้เห็นอยู่นี่แหละมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นอยู่นี่แหละมันแสดงให้เรา เ, เห็นอยู่นี่แหละเราก็รู้สึกตัวได้อยู่นี่แล้วรู้อะไรไหมรู้ลูก ร, ร, รู้น้ำไหมลูกน้ำก็กรู้อยู่นี่แหละ รูปนามมันก็อยู่ด้วยกันมันพาทำพาเคลื่อนพาไหวมันก็รู้สึกคิดเนื้อยู่นี่แหละมันก็เป็นรูปเป็นนามอยู่นี่แหละอ่าแล้วก็รูปแบบสรุปสรุปไปก่อนจะไปหารายละเอียดนะกลัวมันจะผิดตอบผิดหรือกลัวว่าจะตอบผิดกลัวว่าจะไม่ถูกอ๋อคำว่าตอบสมมติขึ้นว่ะอ้าก็กลายเป็นสมมุติปัญญัติไปแล้วบางทีไปจำเอาคนอื่นมาพูดไม่ได้ตอบจาก ประสบการณ์จากการกระทำของตัวมันก็ไปได้ของเก่งไม่ต้องกลัวใครปฏิบัติธรรมใครจะมาถามก็ไม่ต้องกลัวใครจะไม่ถามก็ไม่ต้องกลัวมันจะพิษก็ไม่ต้องกลัวมันจะถูกก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปอยากได้ให้มันถูกไม่ต้องไปกลัวมันจะพิษไม่ใช่กลัวมันจะไม่ได้ก็อยากให้มันได้อยากไปแบบนั้นเป็นสมมติปัญญัติมีแต่สมมติปัญญัติ ที่ทให้เราตละหเปิดเปลงออกไปจากปรมั จ, จักรการเจริญสตินี่มันใกล้ใลเข้าถึงปรมตัตรทันทีใจก็มีอยู่จริงสัมผัสได้จริงมันหลงก็มีอยู่จริงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้จริงนี่คือปรมาจักรแต่มันเกินนี่ไปก็เป็นสมมติว่าได้ว่าไม่ได้ว่าเพียรว่าถูกว่าสศกว่าทุกไปจบทุ ก, ก, กที่ตน กระสุกพวกเพชรอาจจะกลายเป็นสมมุติมันก็ได้แต่เราเห็นเฉยๆเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์นี่แหละประมาทมันจริงความสุขมันก็มีความทุกข์มันก็มีเห็นจริงๆแล้วก็รู้รู้เห็นเข้ยเห็นสัมผัสดูแล้วความหลงความรู้ไปอยังไรน่นะปฏิบัติธรรมมั่นใจจริงๆแล้วก็มีศรัทธาจริงๆศรัทธาต่อการปฏิบัติ แล้วก็กายของเราก็ใช้ได้จริงๆเอามาฝึกสติก็าฝึกได้จริงๆริงจิตใจของเราก็ฝึกได้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่สติแล้วก็เปลี่ยนเป็นสติสมชัญญะได้จริงๆริงนี่มันจะพิษเราก็ทําให้ถูกได้มันจะทุกข์ก็ทําให้ไม่ทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ได้ทุกวันทุกวันบาน ท, ทีเราจะไปไประเมินตัวเองไม่ได้นะ เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันวิตกกังวลกลายเป็นความวิตกกวจะไม่รู้อะไรกลัวจะอายเพื่อนกัวเพื่อนมาถามจะตอบไม่ได้กลัวจะเทศไม่เป็นอยากเทศเป็นอยากสอนเป็นกลัวจะไม่รู้ไม่เข้าใจกลัวจะไม่ได้ช่วยพุทธศาสนาช่วยศาสตรสนามันก็มีแต่เรื่องคิดไปต่างๆนานา ก็เลยกลายเป็นปมด้อยไปทำอะไรก็ด้วยความอยากขังบนตั้งไว้ผิดมันก็ผิดไป้วเลยมาอู้เราไปสมมติปัญญาชนแล้วทำอยู่นี่ไม่เห็นตัวเองทำไปเอาผิดเอาไปถูกผิดก็ผิดก่อนผิดถูกก็ถูกกดถูกได้ก็ได้ก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ขอดไม่ได้ บางทั้งที่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไอจินใจเฉยๆมันเป็นความคิดมันเป็นสมมติปัญญาตการปฏิบัติธรรมใต้ลองไปคิดอย่างนั้นขอบอกจริงๆว่ามันได้ทุกเวลามันทําถูกคือทุกเวลามันผิดเราก็ทําถูกเห็นมันผิดก็ถูกแล้วเห็นมันถูกก็ถูกแล้วเห็นมันทุกข์ก็ถูกแล้วเห็นมันสุขก็ถูกแล้วเห็นมันหลงก็ถูกแล้วว่าเห็นจริงๆความหลงเนี่ย พอมไม่หลงก็เห็นจริงๆกิ่งนี่ไอ้พยากรณ์ก็ทําถูกทุกวันทําได้ทุกวันเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็ทําได้อยู่นี่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่นี่เปลี่ยนความม่วงเป็นความรู้ตื่นเบิกบานก็ทําได้ต่อหน้าต่อตาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเวลาใดวันง่วงเอ้าวปัญหาเกิดขึ้นแล้ว เ, เรื่องยากดไแล้ว คนอื่นเขาไม่่วงทาไมไมันจะง่วงไม่รู้เปลเป็นเวรเป็นกรรมลอยคิดไปต่างๆนานาก็เข้าไปอยู่ในสมมุติไปเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกิตถึงใจเข้าถึงอะไรไปแต่พื่อแพือไปความม่วงนิดหน่อยนิดหน่อยเราก็กลายเป็นอกุศลได้ความง่วงก็เห็นเหมือนกันกับเห็นอื่น เห็นความง่วงเห็นความไม่ง่วงเป็นลักษณะเดียวกันคือความเห็นคือการเห็นความสุขความทุกข์ก็ลักษณะเดียวกันคือการเห็นไม่เห็นแปลกอะไรความรู้ความไม่รู้ก็ลักษณะเดียวกันคือการเห็นไม่แปลกอะไรระหว่างความรู้กับความไม่รู้ระหว่างความผิดกับความถูกอันเดียวกันนะถ้าเราดูดีๆหรือว่าสบายที่สุดปฏิบัติธรรมนะเจริญสติอย่างเราทำอย่างไร มันเป็นการสรุปทุกเรื่องทุกเรา้าลงตัวทุกเรื่องทุกเรา้าไม่เศษไม่เหลือเราจะเป็นงานเป็นการก็ปิดบัญชีลงได้ทุกเรื่องจะรู้สึกตัวก็ปิดบัญชีทุกอย่างจบลงด้วยความงดงามมันหลงก็รู้จบลงแล้วมันทุกข์ก็รู้จบลงแล้วมันผิดก็รู้จบลงแล้วงดงามอยู่ตรงนี้ การปฏิบัติธรรมมันทําให้เกิดความงามอย่างไม่กระทบกระเทือนบัวไม่ช่ำหน้าไม่ขุนไม่ใช่หน้าหิ้วขิวขบปวดพอรู่วอะไรก็ยิ้มแป้พอไม่รู้่วอะไรก็โอ้ยไม่ไหวแย่เลยแย่เลยไม่ใช่แบบนั้นรู้สึกตัวไม่พาให้คิดแบบนั้นไม่พาให้เป็นแบบนั้นรู้สึกตัวไพ่งดงามลงตัวลงตัวไม่กระทบกระเทือนกับอะไร ไม่กระทบกระเทือนกับกายไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเหมือนแมลงพึ่งไปเอาน้าหวานจากเกสรดอกไม้ไม่ทำให้ดอกไม้เกสรดอกไม้ช่าแม้แต่น้อยเลยผู้จเจริญสติดูกายโดยใจไม่ทำให้กายช่าไม่ทำให้จิตใจช่ำทำกับความง่วงทำกับความไม่ง่วงเหมือนอนกันความรู้สึกตัวเนี่ย ทำกับความทุกข์ทำกับความไม่ทุกข์ก็อันเดียวกันเมือนกันเรารู้สึกตัวนะทำให้เรียบลงเยอะความง่วงก็เป็นขึ้นซะความทุกข์ก็เป็นขึ้นซะความสุขก็เป็นขึ้นซะเมือนกัรถวิ่งขึ้นถนนแต่มันมีที่สูงก็ต้องมีที่ต่ําแต่มีที่ต่ําก็ต้องมีที่สูงเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่บวกไปลบก็เท่าเท่ากัน แต่รู้สึกตัวก็เรียบลงเรียบลงเรียบลงผมรู้สึกตัวไปเรียบลงรู้ตรงไหนก็เรียบตรงนั้นมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วทําให้ความสุขความทุกข์มันเรียบลงมันหลงก็รู้แล้วมันรู้ก็รู้แล้วทํำให้ความรู้ความหลงเรียบลงมันม่งวงมันตื่นก็รู้แล้วทําให้ความตื่นความ่วงเรียบลงใส่กันระหว่างสองอย่างซึ่งเป็นคู่กัน แม้จะมีความเกิดความแจกความเจ็ บ, ค ว, จบความต่ายถ้าลูกสึกตัวก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นเรียบลงเปน็นอันเดียวกันเป็นธรรมชาติเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นของเขาแล้วก็เขาก็จะเรียบปฏิบัติทํามันเป็นอย่างนี้อย่าไปหาคําตอบคิดว่าจะได้นั้นจะรู้วันนี้คนที่เขาพูดจากนั้นเขาก็พูดเล็กน้อยเขายกเป็นเรื่องใหญ่ เอาจังเกียงแล้วมีแต่สติมีแต่สติเท่านั้นไม่แต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นแม่แต่เป็นฌานสมาบัติเป็นมรรคเป็นผลมันมีแต่สติเท่านั้นพูดว่าโอ้ยมันเอกพิชีโกรงโกละมีสติแล้วแล้ยอยู่มีสติแล้วแล้ยอยู่พูดไปให้มันสละสลวย พอเราไปเข้าถึงแล้วโอ้ยมันมีแต่ความรู้สึกตัวอยู่ไกลๆมันก็ว่ามันมีอะไรที่วาดมโนภาพเมื่อเราอยู่เผยเจงเคราะห์อมองมาสุขโตเนี่ยโอ้ยป่าเขียวเป็นหล่นเป็นหล่นเป็นหล่นโอ้หามต่อมาแล้วผมก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีแต่ดินมีแต่ป่ามีแต่ถนนหนทางที่สูงที่ต่ําเหมืนอนหลวงพ่อเขาพาไปเที่ยว ที่สหรัฐอเมริกาคนเขาก็อยากให้ไปดูโน่นคนเขาก็อยากให้ไปดูนี่เขาก็ถามเป็นยางไร <g ül> ก็ตอบแบบเดียวว่ามันก็มีทางรถเนาะสองข้างทางก็มีบ้านคนเหมือนกันมองไปข้างหน้าก็เป็นทางรถเหมือนกันมองสองข้างก็เป็นบ้านคนมีป่าไม้วิ่งรถมานี่มันก็เหมือนกันหมดเลยไม่เห็นมันแปลกตรงไหนข้ามสะพานก็มีสะพานข้ามน้ำก็มีมน้า ไม่เห็นแปลกตัวไหนเนี่ยเราบอกโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงไปไปดูแก่งเชนย่อนมอระโดโกรอบมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นที่สูงก็เป็นที่ต่ําไปเห็นพวกอิอนเดียแดงก็มาแสดงหนุ่งผ่อด้วยเปลือกไม้ใบไม้มาแสดงเอาก้อนหินเอาก้อนมานตีปองแป้งปองแป้งเขาก็พ่นลําสนุกสนานแล้วก็ดูอ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่เห็นมันแปลกต่งไหน น, งนนั่งรถก็นั่งรถกันอยู่บ้านเราก็นั่งรถก็อมองไปข้างหน้าก็เป็นถนนหนทางลาดยางมีงงสี่แพ้่งห้าแพร่งไฟแดงไฟเขียวรถเิ่งไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้ารถเิ่งสวนทางก็วิ่งสวนทางนั่งรถเป็นวันสมวันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเ่าเก่งๆก็เป็นก็เป็นอย่างนั้น ไม่มันปแปลกตรงไหนความหลงกับความรู аний, ้ไม่แปลกตรงไหนความสุขความทุกข์ไม่แปลกตรงไหนไม่แปลกตรงไหนเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวอันเดียวไม่เรานั่งรถวิ่งไปอย่างเดียวไม่ใช่ไปสนใจแต่เพื่อต่เพือไปอะไรที่ประสบตาเนีตหน่อยก็เอ้าสนใจแล้วนั่นไปบางทั้งที่มันผ่านไปแล้วก็เอามาคิดเป็นสมมุติต่อไปอีกฉันชอบตรงนั้นฉันไม่ชอบตรงนี้ฉันรู้ตรงนั้นตรงนี้ฉันไม่รู้ ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปความหลงก็ผ่านไปแล้วไปหามันทำไมความถูกความผิดก็ผ่านไปแล้วไี่แต่รู้สึกตัวเมยแต่รู้สึกตัวเมยแต่รู้สึกตัวอย่างนี้ปฏิบัติให้ทำอย่างนี้ไม่มีใครไม่ได้ไม่มีใครได้ไมี่แต่เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจเรา นอกจากรายจากใจเราก็ไม่เหมือนเหมือนกันสัมผัสได้เหมือนกันสุขโตก็มีฝนตกมีแดดออกมีป่าไม้มีลมพัดเสียงแห้งน้ำฝนล่ลองกินแจ่นเจนเจนอีกสักหน่อยเนี่ยอัดเทพเนี่ยไม่ได้เรื่องนะกีบุ่มมันจะล่องล้นไปหมดเลยตามพื้นเดินเนเวลาอัดเทพเสียงกีบุ่มจะดังกว่าเสียงพูด แล้นี้ก็ยังมีแมงน้ำฝนเนี่ยเจก็เป็นอย่างนี้ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ตามฤดูกาลของของแล้เดินสามเดินสี่ก็นกกลางเขียนลองโจยแ้วยแจ้วแล้นี่นกกลางเขียนก็ไม่มีแล้วต่อไปก็นกแกนแวนออกมาลองแกะแจ้วแแมงนี่ก็จะไม่มีแล้วว่าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปตามเหตุตามปัจจัย เราก็เห็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างไี้นอกจากตัวเราก็มีคนดีคนไม่ดีคนลูกคนไม่ลูกเยอะแยะมีคนเกิดคนแจ็คนเจ็ บ, ค น, จบคนตายเป็นอย่างนี้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เยอะแยะไปหมดเลยเราก็ดูไปใครตายก็เหมือนกันใครเกิดก็เหมือนกันใครเจ็บก็เหมือนกันเท่า ว, ว่าเกิดแจ็เจ็บตายอย่าไปสงสัยตรงนั้นทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ ไม่มีประโยชน์เราก็รู้แก้งไปเลยนะคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนอื่นเราก็รู้อยู่นี่แหละรู้อยู่นี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติทำความสําคัญคือมั่นใจจริงๆริงมั่นใจหลวงพ่อเทียนก็สอนเราจริงจริงเราสร้างสติเราก็สร้างได้สริง หลวงพ่อเทียนบอกให้เราเมือวางไว้บนเข่าเราก็มือวางไว้บนเข่ามือหลวงพ่อเทียนก็อยู่บนเข่าหลวงพ่อเทียนบอกเราตะแคงมือเราก็ตะแคงมือเหมือนหลวงพ่อเทียนดูมือหลวงพ่อเทียนตบมือเราก็เหมือนกันหลวงพ่อเทียนยกขึ้นมาเราก็ยกเหมือนกันวางลงก็วางลงเหมือนกันหลวงพ่อเทียนถามว่ารู้สึกไหมเราก็รู้บอกว่ารู้สึกหลวงพ่อเทียนก็บอกให้ทําอย่างนั้นแหละให้มันรู้อย่างนั้นแหละ ทำเท่านี้หรือทำให้มันรูดเท่านี้หรือขอเท่านั้นแหละนี่ก็ทําได้อย่างนี้ท่านก็มาถามถาเป็นอย่างไงไม่เป็นอย่างไรก็บอกว่ามันไม่เป็นอย่างไรไมีแต่รูดสึกตัวรูอะไรไหมรูสึกตัวนี่แหละหลวงพอ่อเคื่อน ไ, วไหวมือมันก็รูคิดไหมคิดอ่ามันคิดแล้วทําไงก็กลับมานี่แหละหลวงพอ่ อ, อทำทำเออเอทํเทานั้นแหละอ้าวเราก็ทําเหมือนหลวงพ่อสอน เดาเข้าไปในความคิดนะครับผมเห็นไหมรู้จากเวลามันชิดไปเห็นเห็นจริงจงเห็นความคิดเห็นไหมพวกเราเห็นความคิดแต่มันคิดไปไหมโยมเห็นบ่คิดไปหมดว่าน้องเขียดจักเทียแล้วคิดไปถึงกรุงเทพกี่ครั้งแล้วคิดไปถึงคนรักกี่ครั้งแล้วคิดไปถึงคนชังกี่ครั้งแล้วคือคิดทั้งนั้นไม่ใช่เร่องตัวคิดแต่เดี๋ยวทําไมจะคิดผพมันหลง อ๋อมันรู้สึกตัวอา้าความคิดก็หมดไปแล้วกลับมาได้จริงจรมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอ่าหลวงพ่อเทียนก็ถามอยู่เนะี่ยเห็นรูปเห็นน้ามไหมถ้าจะคิดเอาผมก็ได้ไม่อยากคิดด อ, อกหลว ง, งพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้มันเห็นก็จะไปนี่แหละเออเออแต่ไปคิดหลวงพ่อเทียนก็เอารูปให้ดูอ๋อก็เป็นรูปนิ่งหรอมันก็เป็นรูปอยู่แล้วรูปคนหลวงพอ่อไม่ใช่หรอมันเคลื่อนไหวเป็นไหมเนี่ยเคลื่อนไม่เป็น มือของคุณเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเป็นมันทําไมจะเคลื่อนไหวเป็นเพราะมันมีกายมีกิจอันนั้นแหละมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแห ล, ละเป็นรูปเป็นน้ำโอ้เราถ้าเราไปคิดเรอ้เคลื่อนไหวอยู่นี่คือรูปเนาะคิดที่มันรู้สึกมือนี่มันก็เป็นรูปมันรู้สึกเคลื่อนรู้จักไหวก็เป็นนามเนาะก็่อยากคิดเดี๋ยวจะหาว่าคิดรูปจะเป็นจินตยานนะ บางคนก็คิดเอาคนมาบอกมาบอกเลยนะรูปมันเป็นยังไงเดินหน้ามันเป็นยังไงบางคนก็ไปทำแบบนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นทำไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ยังไงเนี่ยมือก็ไม่ยู่ไนมันเคลื่อนไหเนะน่ยนี่รูปนี่น้ำมันล้นเป็นมันเหนาเป็นเอาก้อนหินมาวางตรงนี้มันก็ล้นไม่เป็นเหนาไม่เป็นมันทำดีไม่เป็นมันทำชั่วไม่เป็นต้นเสาต้นนี่มันทำดีไม่เป็นทำชั่วไม่เป็น แล้วเม็ดมาปันมันมันก็ไม่เป็นมันขาดมันก็ลูปมันเปมันก็ขาดกันเพราะอะไรเพรามันไม่มีนามมันไปด่าให้ไม่เป็นมันไปทําชั่วไม่เป็นผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นแต่นี่มันเป็นรูปเป็นนามมันทําบาปเป็นมันทําบุญเป็นเมื่อพอเรามามีสติรู้เลโอ้เราไม่เคยสงสารรูปของเราเลยไม่เคยสงสารสงสารเวลามันเคลื่อนมันไหวโอ๊ยมันเป็นถูกเนาะยยืนเดินนั่งนอน หายใจเข้าอยู่นี่โอ้มันเป็นค้อนทุกข์หนึ่งต้องกระพริบตาต้องหายใจต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนโอ้มันเป็นลูกโอ้น่าสงสารโนเรายังจะเอาความทุกข์ไปให้มันอีกยังโศบโศลียังกินเหล้ายังโกรธยังรักยังชังเข้าไปอีกเป็นภาระต่อลูกอีกเวลาเขาทุกข์เขาก็ทุกข์เก็บเคยได้ป่วยคินได้ด้านน้ำหลับโอ้มาเห็นลูกสงสารลูกโอ้ก็ตือนเลยร่นช่วยลูกไป แต่ก่อนก็สบเลยลกทันทีโถน้าตาล่วงเลยสงสารลูกสามสปีไม่เคยช่วยเหลือลูกเลยก็ตื่เรือร่อนโอ้ยช่วยลูกแล้วอะไรที่เป็นทุกข์ของลูกเนี่ยเอาออกก็ทบเทเลือนไปถึงความโกรธความโลภความหลงสงสารลูกสงสารลูกเลยไม่พอสองสารพ่อสองสารแม่สงสารพี่น้องพี่น้องเราไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ พ่อแม่เราไม่อยากให้เราเป็นทุกข์เราจะต้องไม่ทุกข์เวลาเราโกรธเราทุกข์สงสารพ่อแม่สงสารลูกสงสารสงสารเพี่น้องสองสารทุกคนคนทุกคนไม่ต้องการให้ใครเป็นทุกข์พอเห็นคนอื่นทุกข์เห็นคนอื่นโกรธเขาก็กระทบกระเตือนเขเราก็ได้หลักโอ้เราไปช่วยตัวเราใช่รูปใช่เน่ยลูปนี่ทําความดีได้สําเร็จเอาไปช่วยกัน คนหนึ่งถือของมาเอารูปไปถือของช่วยกันคนหนึ่งตําน้าพริกคนหนึ่งเอาถ้วยมาใส่คนหนึ่งเ้าวข้าวใส่หมวดคนหนึ่งเอาน้ําใส่หม้อนึ่งไปตั้งไปก็ช่วยกันได้จริงจริงแทนที่เขาจะมาทํานั้นช่วยกันได้พ่อแม่ทํางานไปช่วยพ่อช่วยแม่ผงปู่เทียนเย็บผ้ากีวอไปเอา ได้มาสอดเข็มสอดผิดสอดถูกลงวงพ่อผมทําให้ก็สอดโอ้เนาะตาดีเนาะก็ดีมันทําได้เนี่ก็ช่วยกันยังไงก็ได้ของยากยากกลายเป็นของง่ายกันมาเออมันช่วยกันได้จริงจริงลูกเนี่ยน้ำมันก็ชิดจะช่ว ย, ยจริงจรไม่ไม่เฉยยิ่งตัวเองเฉยไม่ได้เวลาใดที่มันทุกข์หน่ยก็ตื่นรู้รู้ช่วย เวลาได้มันโกรธอุ้ยก็ตื่นรือร่นช่วยประโถประโถอย่าเหมือนกับไฟถูกปัดออกปัดออกปัดออกหลงไม่ได้ทุกไปได้โกรธไปได้อ๋อมันเป็นเรื่องของเราไม่ต้องการให้รูปให้นามเป็นทุกควาทุกข์ต้อโชว์ที่สุดเลยไม่มีอะไรโชว์เท่ากับความทุกข์ทุกอยู่ตรงไหนมีสติอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปทำอย่างอื่น จะรู้สึกตัวเราก็ห้ย อ, อ่อนไปนะมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าไปเหาะเหินเดินฟ้าเอาฤต ท, ที่ปฏิหารฤตก็ทําให้สําเร็จทําให้ความโกรธสาเร็จทําให้ความทุกข์สำเร็จทําให้ความหลงสําเร็จลงกลายเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงนะมันก็เกิดอยู่กับเรานะไม่ใช่ไปเกิดอยู่กับคนอื่นได้เยน็นบ่ไม่บ อ, อกว่านมมะเขือล อ, องพอตัวหรือลองพอ บอกนะฮะบอกกันทีละสอนじゃเนี่ปฏิบัติธรรมกระทำじゃเนี้แหละพ่อ ก, ก็ไป เ, เทศหัดใจก็พูดเจ้าเนี่ยก็พูดเรื่องชาติปีทุกขาชาติปีทุกขาพญาทิติปีทุขขามระน้ำิติปีตุขขงสมปนานจะทัศนังอธิบายเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตาย เพราะเป็นคนตายอยู่ตรงนั้นก็นไปพูดเราไม่ยอมพูดที่ไม่ยอมเรื่องนี้คือพระสิท ธ, ธัตถะสมัยเป็นเจ้าป้าชายออกประพาสหัวเมืองเห็นคนเกิดคนแจอคนเจ็บ ค, ค, ค, ค, คนตายเห็นสมณะรับกิดชอบเรื่องนี้ทันทีจนี่สูดจนได้คำตอบออกมานี่ชีวิตของเรางานของเรา ไม่ใช่เป็นร้องให้พรอความแก่ร้องให้พราะความเจ็บร้องให้พรอความตายไม่ใช่แบบนั้นเราจะต้องยิบตรงนั้นได้ด้วยยิ้มได้ตรงนั้นด้แต่ก่อนเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์าภิษณสิ่งใดไม่ได้เสียนั้นก็เป็นทุกข์เอาไปว่ามันไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยเป็นปัญญาเป็นปัญญานี่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยดะอยู่ เ, เพื่อนปฏิบัติธรรมเท่าไรเก็อุ่นใจพวกเรามีกันระยะนานมิตรอย่างดีช่วยกันน่นนอนอยู่เต้นปฏิบัติธรรมเขาไม่เคยพบเคยเห็นที่จะช่วยกันถึงแบบนี้เนนะาะโยมอุ่นใจหลวงเขาอุ่นใจมากช่วยกันอย่งเกียงพวกเราขอให้ช่วยกันช่วยกันยาทําอะไรที่มันเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันเลยกัน แน่แต่คําพูดความคิดความอ่านที่นี่เขาต้องการความสงบต้องการเจริญสติอะไรที่ทําให้เกิดความมุ่นวายไม่ใช่เกิดการเจริญสติหยุดไม่ต้องไปทําอยู่เฉยๆก็ยังได้แต่ว่าอย่าไปสร้างให้เกิดปัญหาถ้าใครมาที่ไปให้ความสงบเราก็สร้างความสงบกับคนนั้นได้ เช่นอาจจะมีมตรมีเพื่อนมา น, นั่งสงบจันรู้เราเป็นพระมีเพื่อนมาหาคนนั่งให้เขาดูไม่ใช่ไปนั่งหัวเขาชนกันพูดห ล, กหลอกลอก่อเตะอาปากหัวลอ่อใช่กันเราเป็นสมณนะแสดงให้เขาก็จะเห็นเราเนี่แสดงสออกสงสารพ่อแม่แสดงความเป็นพระแสดงความเป็นสมณะสงสารจริงจิงสงสารพ่อแม่สงสารพี่น้อง รักลูกรักเปียอนรักพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่งไห น, น, นทีน่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทําและทําให้คนอื่นเป็นทุกข์หยุดแค่นี้เองการปฏิบัติธรรมไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์พอผมพอก็ออออคือทำเนี่ยคือจเจริญสตินี่แหล